นั่นใครอะครับชายหนุม่มรับโทรศัพท์ด้วยอาการง่วงเงียฮัลโหลเอคิมเหรอมึงอยู่ไหนวะเสียงจากปลายสายโทรศัพท์พูดขึ้นไอโอ้น <I on S 1> เองเหรอกูอยู่ห้องมีอะไ ร, รวะโทรมาตอนตีสองเนี่ยหรือมึงไปกินล่าแล้วเพิ่งกลับกันมาเหรอวะเฮ้ย <Hey, S 2> ตั้งใจฟังเนี่ยตอนนี้กูอยู่ไหนไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าเป็นซอยเปียวมึงมารับกูได้ไหมโอนขอความช่วยเหลืออ้าแล้วมึงไม่ได้ไปกับไอคิวเหรอแล้วตอนนี้มึงอยู่ไหนอะ คิมถามพร้อมกับลุกขึ้นนั่งฟังนะกูกับไอ้คิวขับรถกลับมาจากร้านเหล้าแล้วทางที่ผ่านมานะี่ยมันมีบ้านร้างเก่าอยู่หลังหนึ่งไอ้คิวมันคิดอะไรของมันไม่รู้ว่าอยากจะไปดูว่าบ้านร้างหลังนั้นมันมีอะไรอยู่กูห้ามมันแล้วนะแต่มันไม่ฟังกูเลยอ้อนเล่าเรื่องราวแล้วทางที่ผ่านใช่ทางรัดที่มึงเคยพากูมาส่งที่หอประจําหรือเปล่าวะคิมถามเฮ้ยฟังกูนะ ต, ต, ตอนนี้ยกูหาไอ้คิวไม่เจอมันพากูไปที่บ้านร้างแล้วมันท้ากูว่าถ้ากูไม่ไปกับมัน่ะ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 เฮ้ยแบบนั้นแปลว่ามันออกาจากบ้านร้างแล้วหนีกูไปแล้ววะดิพี่แย่แล้วว่ะกูโดนทิ้งให้อยู่บ้านร้างคนเดียวคิมบอกกูทิ้งว่ากูควรทํายังไงดีอะกูกลัวนะเว้ยคิมอนแสดงความกังวลกวายอย่างเห็นได้ชัดเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวมึงใจเย็นแล้วเล่าเรื่องราวให้หมดก่อนนะกูจะได้ช่วยมึงถูกคิมพูดให้ออนได้สติพอมาถึงมันไม่พูดอะไรเลยอ่ะมันรีบลงจากรถแล้วก็รีบวิ่งเข้าบ้านร้างไปเลยกูพยายามวิ่งตามนะเพรกูเปิดประตูมาไม่เจอมันแล้วอะ แล้วอยู่ดีๆประตูก็ปิดเองกูพยายามจะเปิดประตูแล้วนูเวย้ยแต่ประตูมันพังเปิดยังไงก็ไม่ออกและมันมืดมากแล้วตอนที่กูกำลังหาโทรศัพท์มาเปิดไฟฉายกูเห็นเงาแปลกๆเดินผ่านตรงห้องครัวพอกูเห็นแบบนั้นกูได้วิ่งมาหลบหลังบันไดแล้วรีบโทรหามึงนี่แหละอ้อนเล่าเรื่องเฮ้ย hey, แต่เดียวนะตอนแรกมึงบอกไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่เมื่อกี้มึงบอกว่ามึงมาบ้านร้างที่มึงเคยผ่านมันยังไงกันแน่วะคิมเริ่มสงสัยเรื่องนั้นกูก็ไม่รู้แต่ถ้ากูออกได้แล้วจะโทรหามึงอีกทีนะ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 ฮัลโหลไอคิวเหรอวะพวกมึงจะแกล้งไปถึงไหนวะไม่ตลกนะเว้ยคิมเริ่มไม่พอใจช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยคิว <Q S 2> พูดประโยคซ้าๆไอคิว <A Q, S 2> กูบอกให้มึงหยุดเล่นได้แล้วมันกี่โมงแล้วเนี่ยมันเล่นอะไรไม่เข้าท่าวะคิมตอบว่ากูหนาวกูเจ็บกูหนาวกูเจ็บช่วยกูด้วยคิว <Q S 2> <A Q, S 1> พูดไอคิวถ้ามึงจะพูดอยู่แบบเนี้ยกูจะวางแล้วนะ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 หน้าหันไปข้างหลังระโหลกเปิดเห็นเส้นสมองที่กําลังเต้นอยู่แขนบิดเกลียวเห็นกระดูกทะลุออกมาเลือดอาบร่างและตอนนั้นเองอ้นได้โทรเข้ามาอีกครั้งไอ้คิมกูอยู่ที่ห้องมึงแล้วกูรอมมึงอยู่อ้นพูดไ อ, อ้ไอ้อ้อนไอ้คิวมันเป็นอะไรวะทําไมสภาพมันเป็นแบบแบบแบบแบบนี้อ่ะคิมพูดน้ำเสียงหวาดกลัวสุดขีดพันธุ์ใดนั้นหัวของคิวได้หันอย่างช้ า, ชา จับเห็นแต่เส้นผมจากด้านหลังศีรษะหน้าของคิวค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นและเมื่อคิวหันหน้าที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนนั้นใบหน้าของเขาอาบไปด้วยเลือดและยิ้มให้กับคิมในสภาพปากฉีบตาถลนออกมาจากเบ้าตาคิวรวบรวมสติหันหลังวิ่งไปที่ประตูหน้าหอและรีบเข้าห้องทันทีในขณะที่เขาวิ่งขึ้นบันไดยอยู่นั้นริงโพรนเพลงของคิวได้ดังขึ้นตลอดทาง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 ฮัลโหลไอคิมมึงรู้หรือเปล่าไออ้นกับไอคิวขับรถแหกโค้งจากหน้าบ้านร้างที่เขาว่าเฮียนกันะ่ะสภาพดูไม่ได้เลยวะ่ะฮัลโหลไอคิมได้ยินไหมไอคิมเสียงจะปลายสายทันใดนั้นเองก็ได้มีเสียงริงโทนดังขึ้นไอคิวหากชอบโปรดกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ